เมตตาชี้แนะให้ครับก็ณปัจจุบันตอนนี้ก็ตามรู้ตามเห็นแล้วก็รู้สึกว่าทั้งหมดที่เรารู้เห็นมันเป็นสังขารปรุงทั้งสิ้นนะครมันไม่มีเหมือนก็ปรุงของมันไปบางทีมันก็คิดปรุงต่อก็คิดทำนู่นทำนี้ต่อก็เป็นการปรุงของมันไปโดยทั้งหมดทั้งสิ้นบางครั้งมันก็มีความเป็นตัวตนมันก็มีของมันเองแล้วมันก็ดับของมันเองแต่ก่อนหน้านั้นที่เคยกังวลใจในเรื่องความรู้สึก แน่นอกและคิดว่าเราปฏิบัติผิดตอนนี้ความเข้าใจมันก็เพิ่มขึ้นว่ามันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งที่เป็นปรุงของมันเองถูกต้องแล้วก็หมอจะต้องเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นอีกอ่าตอนนี้ขณาเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยหมอลงเอาสังขารที่เป็นขันห้าเป็นความปรุงแต่งมาเป็นตัวเราเลยกลายเป็นตัวเราที่สังขารได้ ไอตัวเราคิดสังขารได้คือสังขารคิดนึกดิ้นหล่นค้นหาสงสัยสงสัยในใจเอ๊ะ ม, มันจะเป็น อ, อย่างนี้หรือจะเป็นจุดแบบนี้หรือจะเป็นจุดแบบนี้อย่างนี้ถูกหรือผิดอย่างนี้ผิดหรือถูกเรต้องทําไงเเราเป็นยังไงยังไงที่จะถูกที่สุดดิ้นหล่นค้นหาทำมันจะบรรลุธรรมไอตัวที่ตัวเราเราเราเร า, เราที่ดิ้นหล่นได้ก็เพื่อได้ไหวตัวได้ที่วิเคราะห์วิจารณวิจัย ที่หาทางช่วยตัวเราได้แต่จริงๆไม่ได้ตัวเราหรอกมันเป็นสังขารประแต่งเป็นขันห้า 5, เป็นสังขารในขันห้ามันนำมาปรุงปรุงปุงได้ตัวตนของเราจริงๆไม่มีหรอกมันมีแต่สังขารขันห้ากับใจที่ไม่สังขารหรือเรียกว่าวิสังขารไม่อาศังขารได้หรือเรียกว่าอาศังขารต่ามันเป็นาตาที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่อาจศุงแต่งได้จะคิดจะนึกจะตึกจะตอนจะรู้สึกก็ไม่ได้ไม่มีรูปพันสันฐานใดๆไม่มีตัวตนใดๆเลยไม่มีอะไรสักอย่างเดียว เป็นธาตุรู้เป็นรู้ตามธรรมชาติธาตุรู้ตามธรรมชาติตัวตนไม่มีกับขันห้าได้เป็นความปรุงแต่งอันนถ้าหมอเอาตัวเป็นมีตัวเรามีความรู้สึกว่ามีตัวเราไปดิ้นหล่นไปค้นหาไปพยายามจะช่วยตัวเราให้พ้นทุกข์ให้มัรู้นิพพานอาวุฒิทางให้แก่ตัวเรามันจะหลงเอาขันห้าเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นตัวปรุงแต่งอันตัวเราจริงๆไม่มีมีแค่เป็นใจพอสิ่งความความหลงปว๊บมันก็จะมีแต่ใจที่ ไม่ปรากฏตัวตนอะไรเลยไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันสถานใดๆเลยมีแต่ขันหน้ามีใจมันก็ยังไงจะบอกว่าใจนิ่งใจว่างใจสงบเดีมันก็จะไปทําให้มันเป็นอีกคือมันไม่มีตัวใจไม่มีกิริยาการใดๆเลยแต่รู้อยู่ว่ามีอะไรเกิดดับอยู่ในใจมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์มีความดิดน้นรนมีความคิดมีความนึกตอมันจะดิดน้นรนจะคิดจะนึ ก, จ ะ, นกจะตึกจะตอนจะปรุงแต่งไงใจก็ไม่หวั่นไหวไปตามเป็นใจเลื่อยไปอะ่ะ เป็นใจเลื่อยไปไม่หลงไปเป็นในกิริยาอาการของจิตที่มันคิดมันนึกมันตึกมันตอมันได้หลนค้นหามันปรุงแต่งจะหาค้นทางให้ตัวเราไปเป็นยังไงต่อให้มีสังขารยังไงก็เห็นว่ามันเป็นสังขารหรือว่าสิ่งปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ใจไม่หวั่นไหวไปตามเลยเป็นใจเลื่อยไปเป็นใจที่หวั่นไหวไม่ได้เป็นใจที่มีอาการไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นใจที่พยายามไปทําให้ใจนิ่งๆไอ้พยายามจะทำใจนิ่งๆไอ้พยายาใจนิ่งๆอันนั้นเป็นความปรุงแต่งไม่ใช่เป็นใจ อใจไม่มีการไม่มีใครพยายามใส่ใจให้นิ่งได้เพราะว่าใจมันไม่มีอะไรไปจับมันตั้งนิ่งได้ตัวตนไม่มีรูปพรรณสัณฐามไม่มีไม่มีดวงไม่มีไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้ว่าใจเนี่ยไม่ปรากฏอะไรส่วนที่ปรากฏทั้งหมดเป็นสังขารทั้งหมดไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นแค่นี้แหละเข้าใจไหม ทั้งตาแล้วใจนี่เรารู้สึกได้ไหมครับตัวใจเองนี่เรารู้สึกถึงตัวใจมันรู้ใจของมันเองแต่ไม่ได้เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาประตูนะเอาวิญญาณขันี่เป็นรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรู้ใจได้คือเจ้าวิญญาณขันเนี่ยที่รู้ทางตาเนี่ยจะไปรู้ใจไม่ได้เพราะวิญญาณขันเนี่ยเขาจะรู้รูปเท่านั้นเองรู้รูปทั้งตาวิญญาณขันเนี่ยจะรู้เสียงทังหูวิญญาณขันเนี่ย จะรู้กลิ่นทางจมูกวิญญาณนักขันเนี่ยจะรู้รสทางริ้นวิญญาณนักขัเนี่ยจะรู้สิ่งที่มาสัมผัสกายทางผิวหนังวิญญาณนักขัเนี่ยจะรู้เวทนาสัญญาสังขารคือรู้กิริยาการทั้งใจรู้ความรู้สึกความจําได้ไหมรู้รู้ความคิดปรุงปุงคิดเรียกว่ารู้ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขานร่างกายขาน้าประกอบด้วยร่างกายแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารก็คือธรรมอารมณ์ แล้วก็วิญญาณาขันคือผู้รู้จิตหรือผู้รู้ดงั้นสรุปแล้วก็คือผู้รู้เนี่ยจิตหรือผู้รู้เนี่ยเขาจะรู้ได้แค่รูปเสียง mm. กินรสแล้วก็ผลตภะสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายแล้วก็ทำมลลมคือรู้แค่เวทนาสัญญาสังขารแต่จะรู้ใจไม่ได้ไม่อา จ, จเอาอายตนะเอาวิญญาณาขันไปรู้ใจได้งนั้นจึงหมดสิทธิที่จใจความคิด ความนึกความสึกความตองความดิ้นรนกวรหาไปไปเข้าพบใจได้เพราะว่า mm hmm. ไม่อาจเอาอายตนะหรือเอาขันห้าไปไปพบใจได้ไม่อาเอาขันห้าไปพบใจได้จึงไม่อาจาพบใจได้ด้ยวยความคิดเพียงแต่มีสังขารทั้งหมดของขันห้าทุกกริยาการที่ปรากฏขึ้นในทุกขณะปัจจุบันไม่มีใครไปสำวยไม่มีใครยึด บ, บ้านถือบ้านแค่นั้นเนี่ยมันก็จะพบใจที่ไม่เคลื่อนไหว อะไรล้วเป็นตัวพบใจที่ไม่เคลื่อนไหวก็ไม่ไม่อาจเอาไอ้ตาอูจจาหมูกดินกายใจไปพบใจที่ไม่เคลื่อนไหวได้ไม่อาจจะเอาวิญญาณขันไปพบไม่อาจจะเอาขันอ้าหรือวิญญาณขันไปพบใจที่เคลื่อนไหวได้แต่ใจเนี่ยเขารู้ใจของเขาเองเพราะเขาเป็นธาตุรู้เขาเป็นธาตุรู้เขารู้ใจของเขาเองว่าใจของเขาเองเนี่ยไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอาการใดๆทุกอย่างที่ปรากฏอาการไม่ใช่ใจเขาจะมีความรู้เขาเองว่าทุกอย่างที่ปรากฏกิริยาการได้ไม่ใช่ใจแต่ เมื่อเป็นใจเสร็จแล้วใจนั้นก็เมื่อตัวมันเองปรากฏอาการใดๆไม่ได้ปรากฏความวันไหวไม่ได้ดังนั้นที่ไม่มีความวันไหวในใจใจก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ใจเขาก็จะปล่อยวางเข้าไปเองเขาจะไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกปล่อยวางแต่คือเขาไม่มีไม่มีใจมายิตไม่มีใจเนี่ยคือไม่มีตัวใจไม่มีกิริยาอาการน้องใจไม่มีความสามารถปุงแต่งมายึดหรือปล่อยวางได้เขาก็เดิแต่รู้ว่ามีอะไรเกิดดับในใจ แต่เขาไม่อาจมายึดมาจับมาปล่อยมาจับมาปล่อยได้แ ต, แต่รู้แต่ว่ามีอะไรเกิน ด, ดับอยู่ในใจแต่ไม่มีใครมายึดสิ่งที่เกิน ด, ดับในใจและไม่มีใครยึดใจเพราะสิ่งที่มายึดใจได้ต้องเป็นขันท่าเท่านั้นที่จะมายึดใจได้คือต้องเอาความปรุงแต่งมีความรู้สึกเป็นตัวเราจึงจะเอามายึดใจได้แต่ใจเขาไม่มีอะไรเลยเขายึดอะไรไม่ได้เขาไม่อาจจะจับและปล่อยจับปล่อยได้เขาได้จะมีความรู้เฉยว่า สังขารทั้งหมดไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ใจเองก็ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นใจมันเลยกายมีความเป็นอยู่ด้วยรู้อยู่กับรู้จีบอารหันต์ทั้งหลายท่านบอกว่าอยู่กับรู้ก็ อ, อยู่กับใจของเจ้าของนั่นแหละเข้าใจไหมยนี้แสดงว่าที่ที่ผมเห็นอยู่ยังไม่ได้เห็นที่ใจมันใช่ไหมครับสังขารยังไอ้ผู้เห็นเนี่ยนะมันยังเป็นวิ ญ, ญญาณขันอยู่เลยแม้แต่ผู้เห็นก็นยังเป็นวิญญาณขันไอ้สิ่งที่ สิ่งที่หมอไปเห็นได้นะคือมันคือขันห้าคือเวทนาสัญญาสังขาจรจี่จะไปจึงเอาสามารถไปรับรู้ทางประตูใจได้คือรู้แค่เวได้แค่เวทนาสัญญาสังขารคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆสัญญาความจะจําได้ไหมรู้สังขารคือความคิดปรุงปรุคิดจริงจะไปรู้ได้แล้วก็รู้โดยเอาวิญญาณอขันไปรู้ดังนั้นทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ล้วนแต่เป็นสัญญงขารปุงแต่งที่เกิดดับได้เพราะเป็นขันห้าหาะต้านปล่อยวาง ทั้งอาการที่ถูกรู้และปล่อยวางทั้งผู้รู้ไม่เข้าไปยึดปล่อยวางไม่ใช่ว่าไปจับปล่อยแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ปล่อยวางหมายถึงว่าเห็นว่าเขาเป็นสังขารเป็นขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นตันิจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์กลัวหรือที่บุตรตั้งหลายจะเข้าไปยึดบ้านถึงบ้านสิ่งที่ไม่เที่ยงและสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ไม่อาจยึดมั่นถือบั่นได้พระสาวกก็กราบสูนถามกราบสูนพระเจ้าว่าไม่ไม่ควรเลยที่จะไปหลงยึดมั่นถือบั่นในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเกิดดับตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นทุกข์มันจึงเป็นอนาาัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราและไม่อยู่ในบังคับของเราขัน่าก็เลยสังคาทั้งหลายก็เกิดดับเกิดดับพอที่ยึดปุ๊บมันก็เป็นใจมันเป็นใจของมันเอง ดังนั้นท่านต้องปล่อยวางอาการท paper, oneself, ี่ถูกรู้ทั้งหมดและปล่อยวางทั้งผู้รู้คือไม่มีใครเข้าไปยึดถือไม่มีใครเข้าไปเสวยตั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือตัวเราเป็นผู้รู้หรือตัวเราเป็นผู้คิดมีแต่ความคิดกับผู้รู้ความคิดมีแต่อารมณ์กับผู้รู้อารมณ์แต่ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้คิดตัวเราเป็นผู้มีอารมณ์และไม่มีก็ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นตัวเรา แม้แต่ถ้ามันมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าผู้คิดเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้มีอารมณ์หรือเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นตัวเร า, เรากร็ไอ <hopping. S 1> so ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะปรุงอย่างนั้นได้มันต้องเป็นสังขารมาปรุงเพราะใจมันปรุงไม่ได้ก็ปล่อยวางเสียปล่อยวางอะไรก็เห็นว่าเขาเป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งเขาจึงปรุงได้เป็นความคิดได้ปรุงเป็นความรู้สึกได้และปรุงเป็นผู้รู้ได้ส่วนใจ ไม่มีอาการอใไๆเมื่อท่านปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางทั้งวิญญาณขันธ์ที่เป็นจิตวิญญาณขันธ์ที่เป็นผู้รู้นะไปไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นท่านจะพบใจพบใจไม่ได้เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปพบใจแต่ใจแท้ๆเนี่ยคือเอาประตูประตูตาประตูหูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจที่ผ่านโดยรูโย้โดยวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรู้กขไม่ได้แต่ใจก็จะรู้ใจของเขาเอง ใจตัวนี้ก็คือวิญญาณตั้งเดิมแท้หรือจิตตั้งเดิมแท้หรือใจตั้งเดิมแท้ uns, ที่เรามาเกิดกันได้แต่เรามาเกิดพร้อมกับอวิชชามันมอวิชชาผลอยู่เพราความความหลงยึดคือมาเกิดพร้อมกับความหลงยึดเมื่อถ้าเส้นยินสิ้นยึดแล้วมันเลยเป็นใจตั้งเดิมแท้ซึ่เป็นความบริสุทธิ์แท้ของมันตามธรรมชาติที่ไม่มีผู้ยึดผสมอยู่ในธาตุรู้ไม่มีอวิชชาะสมอยู่ในธาตุรู้ก็เลยเป็น ถ้ารู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆการเป็นความว่างเปล่าไปหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจครเข้าใจเพิ่มขึ้นครับหลวงตาในอธิบายทบทวนขึ้นะไนดิในปัจจุบันที่ที่ฝึกอยู่ที่เห็นเนี่ยมันยังไม่เห็นว่าเราไปยึดตัวที่รู้คือยังมีผู้รู้ของเราที่เป็นตัวรู้อยู่จริงๆถ้ารู้มันไม่มีตัวไม่มีอะไรทั้นส่วนที่เห็นหรือส่วนที่รู้สึกได้ล้วนแล้วจะเป็นสังขารทั้งสิ้น ถูกแล้วเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นสังขารมันจึงไม่เขับยึดสังขารเพราะสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้พุทธเจ้าจึงตรัสว่ากัวเลยือบูเธอทั้งหลายจะไปเข้าไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์อีสรางเข้าใจเนาะตบตุนตรงนี้ให้ดีนะหมอแล้วก็เอา เนังสือเล่มใหม่ซีดีเล่มใหม่เนี่ยไปอ่านแล้วทบทวนฟังไฟล์ใหม่ใหม่ที่ส่งไปด้วยหมออยู่ในรายแล้วเนาะอยู่ในไลน์ครับอนเนี่ยหมอก็เอาไปทบทวนแล้วฟังให้ดีๆตั้งใจอธิษฐานถ้ายังเข้าไม่ถึงใจก็อธิษฐานล้างของที่มิจฉาทิฏฐิทิ้งแล้วก็อธิษฐานใหม่ให้ทำนั้นเข้าถึงใจทำของพุทธเจ้าจงเข้าถึงใจเดือนบัด น, นี้เป็นหนึ่งเดียวกับใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจที่พอใจเป็นธรรมแล้วก็เป็นใจตัวเองนั่นแหละอยู่กับใจของตัวเองอยู่กับผู้รู้ อยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่ว่าวิญญาณขันนะเป็นใจเป็นธาตุรู้เป็นจิตเป็นจิตนั่งเดิมวิญญาณนั่งเดิมเป็นใจนั้งเดิมกระแทสที่มาเกิดที่เอาวิชาหมดไปอยู่กับรู้นี่เนะี่ยคือรู้ว่าสินนส้นยึดแล้วบัดนี้สิ้นยึดแล้วรู้ว่าสิ้นยึดอยู่กับรู้ที่สิ้นยึดอะไรเกิด ข, ขึ้นก็ไม่มีใครยึดสังขารั้งหมดว่าจะสังขารมีลักษณะอย่างไรก็ไม่มีใครไปยึดสังขารไม่มีใครไปยึดใจและไม่มีใครไปยึดสังขาร คือรู้ก็รู้อยู่ก็รู้ที่สิ้นยึดรู้ว่าไม่มีความยึดใดๆแล้วปล่อยให้สังขารทั้งหลายก็ปรุงแต่งไปใจก็วางเปล่าจากตัว ต, วตนไปอยู่คู่กันไปอย่างนี้แล้วก็ผู้รู้ก็รู้ใจนะนะี่แหละก็รู้ใจเองว่าสิ้นแบบนี้สิ้นยึดแล้วการเกิดใหม่อีกไม่มีภพชาติไม่มีพอสิ้นยึดมันก็สิ้นกิเลสและสิ้นทุกยึดนะนะั่นแหละมันเป็นกิเลสและเป็นทุกภพชาติก็ย่อมมีอยู่คือเป็นอาววิชาอยู่ อวิชาก็ติดอยู่กับจิตหรือใจดั้งเดิมกระแสแล้วแหละก็จติดไปถ้ายังมีอวิชาติดกับจิตดังเดิมประแสหรือใจดังเดิมประแสหรือวิญญาณดังเดิมประแสมันก็ยังไปเวียนว่ายตายเกิดมันยังไปทุกอีกเนาะสนใจเนาะทำความเข้ า, าใจตรงนี้สังเกตไ ด, ด้ดีๆนะละเอียดๆแล้วก็มาหาเราใหม่